เลไบันอนนี่เป็นประเทศหนึ่งนะที่มีการสู้รบหรือสงครามกลางเมืองเนี่ยต่อเนื่องคนก็ล้มตายกันไม่ใช่น้อยบาดเจ็บก็มากทีเดียวมีหมาตัวหนึ่งนะเป็นหมาจรจัดจูจูนี่ก็โดนยิงไม่รู้ว่าลูกหลงหรือว่าถูกยิงด้วยความตั้งใจนะแต่นะ่าจะตั้งใจมากกว่านะเพราะว่าโดนยิง87เจนัดแต่ไม่ตายนะ แม้กระ น, นั้นก็จะเรียกเกิดพิการเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็หูขาดกรามหักที่จริงคงจะมีความเสียหายตรงที่อื่นด้วยนะเช่นอาจจะกระเพาะทะลุหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าโชคดีนะที่ไม่ตายบางคนจะบอกว่าโชคร้ายก็ได้นะเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้เขามันก็พิการสถานเดียว คงจะอยู่ลำบากนะนอนรอความตายถ้าตายไปเลยนี่อาจจะไม่ทุกข์ทรมานนะแต่นี่ไม่ตายนะแต่ก็บอบช้ำ ม, มากก็อยู่เหมือนนอนรอความตายแต่โชคดีนะมีคนใจบุญนะก็เอาเข้ามาดูแลแต่ก็ดูแลแบบตามมีตามเกิดนะเพราะว่าอาการเขาหนักมาก คนใจบุญ น, นี่ก็ไม่รู้ทำยังไงนะก็เลยประกาศหาผู้อุปการะก็มันเคยมีมูลนิธิหนึ่งนะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์เขาเห็นประกาศนี้เขาก็เลยเผยแพร่ต่อมูลนิธินี่ก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะเพราะคนรักสัตว์นี่ก็มีทุกประเทศก็มีหลายคนนะ พร้อมจะบริจาคเงินเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลซึ่งใช้เงินเยอะมากทีเดียวนะเพราะว่าเนี่ยโดนไปสิบเจ็ดนัดเนี่ยนะจะเอากระสุนออกทั้งสิบเจ็ดนัดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายต้องพาแล้วพาอีกแถมตาบอดอีกหูขาดกรามหักนะจะเยียวยานี่ก็ใช้เวลานานมากแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเท่ากับว่า ถ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยจะมีใครอุปการะเลี้ยงดูก็หาคนอุปการะลำบากนะเพราะว่าหมาพ่การแบบนี้นี่มันจะกลายเป็นภาระของผู้ดูแลมากนะแะบบบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อังกฤษเขาได้ข่าวเรื่องของหมาตัวนี้ชื่อแม็กกี้ อายุห้าขวบก็เลยปรึกษากับลูกว่าเนี่ยรับเข้ามาดูแลดีไหมลูกก็เป็นผู้หญิงนะอายุยี่สิบห้าปีสารและลูกของแม็กกี้เนี่ยไม่ค่อยน่าดูนะแต่ว่าสองแม่ลูกเนี่ยเขาใจดีนะเขาก็บอกเอาเข้ามาดูแลดีกว่าว่ยตอนที่ขนย้ายนะแม็กกี้เนี่ย ข้ามประเทศมาอังกฤษนี่ก็ยุ่งยากน่าดูเลยนะเพราะปกติเขไม่ก้อยอะสะดวกในการขนย้ายสัตว์ข้ามประเทศเท่าไหร่ก็วิ่งเต็งกันมากใช้เงินไปไม่ใช่น้อยนะสุดท้ายนี่ก็พาแม็กกี้เนี่ยย้ายประเทศมาประเทศอังกฤษได้ผู้หญิงที่รับดูแลเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะชื่อเคซี่เนี่ยบอก เห็นแม็กกี้ครั้งแรกนี่ร้องไห้เลยนะทั้งสงสารทั้งดีใจแล้วคราวนี้คือว่าจะเลี้ยงดูเขายัางไงนะให้เขาอยู่รอดได้ก็ปรากฏว่าสองแม่ลูกนี่ก็ดูแลนะเอาใจใส่อย่างดีเลยนะจงกระทั่งแม็กกี้เนี่ยนะก็เริ่มฟื้นตัวไม่ใช่แค่เรื่องทางกายอย่างเดียวนะจิตใจด้วยนะ มีคนถามเคซี่ว่าเนี่ยทำไมไม่ทําการุญยฆาตหมาตัวนี้นะเพราะว่ามันบอบช้า ม, มากเควซี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าได้มาเห็นตัวแม็กกี้นะจะเปลี่ยนใจนะเพราะว่าเขาเป็นหมาที่มีความสุขมากเลยเป็นหมาที่ฉลาดหมาอารมณ์ดีแจ่มใสเบิกบานโดยเพาะเวลาได้วิ่งนะวิ่งบนสนามหญ้านี่ยมีความสุขมาก ตาบอดนะแต่ว่าสามารถจะวิ่งเล่นได้นะหมานี่เขาก็มีสัมผัสพิเศษนะตาใช้การไม่ได้ก็ใช้กลิ่นนะใช้หูแล้วเวลาแม็กกี้วิ่งนะในสนามเนี่ยมีความสุขมากเลยคนที่มาเห็นแม็กกี้เนี่ยมีความสุขเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนใจนะว่าเนี่ยในการที่ไม่ทํากรุญฆานี้มันไม่ได้แปลว่าจะต้องทําให้เขาทุกข์ทรมานนะ ถึงแม้เขาตาบอดกรามหักหูขาดเนี่ยร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็สามารถจะมีความสุขได้นะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะหมาที่เจ็บปวดแสนสาหัสนะบอบช้าคงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะแต่ว่ากลับกลายเป็นหมาที่อารมณ์ดีมีความสุขนะอันนี้คงเพราะว่าได้รับความรักจาก แม่ลูกสองคู่เนี้แม่ลูกคู่เนี้ดูแล้วใจใสก็ทําให้ฟื้นตัวได้นะทั้งกายและใจแล้วพอแม็กกี้มีความสุขนะไม่ได้จบแค่นั้นนะแม็กกี้นี่ก็สามารถจะช่วยให้คหนถึงมีความสุขด้วยเพราะตารางเนี่ยก็ก็หางานให้แม็กกี้ทํานะหางานให้แม็กกี้ทําทําอะไรนะ ไปช่วยเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและคนชลาหมานี่ทำได้นะไปเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและคนชลาทุกอาทิตย์เนี่ยนะสองวันเนี่ยแม็กกี้ก็จะไปไปหมาเทเลนะไปเยี่ยมนักศึกษาให้กำลังใจนักศึกษาแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านพักคนชลาคนชลาเนี่ยเห็นแม็กกี้นะหมาอารมณ์ดี มีความเป็นมิตรนะก็รู้สึกดีนะและยิงรู้สึกดีมากขึ้นเมื่อได้กอดนะหมาตัวนี้นี่เข า, าทำงานอย่างหนึ่งคือการให้ผู้ป่วยและคนชาราเนี่ยกอดเพราะว่าตอนที่กอดแม็กกี้เนี่ยมันก็หลายคนบอกว่าได้รับความสุขได้รับกำลังใจจากแม็กกี้ด้วยหมาอารมณ์ดีนะให้กอดนะกอดฟรีนะมีข้อความติดไว้ ที่ปลอกคอเนว่าฟรีฮักฟรีฮักคือกอดฟรีนะคนแก่คนป่วยนะได้กอดหมาอารมณ์ดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะรู้สึกว่าได้รับความรักคนป่วยเนี่ยคนชรานี่ที่จริงทุกคนนะสิ่งที่ต้องการอย่างมากคือความรักนะแล้วก็เขาก็ได้รับความรักเนี่ยจากแมนะ็กกี้ก็ทำให้ สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วคงทำให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วยเก็ไม่น่าเชื่อนะหมาที่พิการบอบช้าเนี่ยผ่านความเจ็บปวดมากนี่นอกจากตัวเองจะมีความสุขนะไม่ได้จมอยู่ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานในอดีตแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะแบ่งปันความสุขให้กับมนุษย์ได้นะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่า เขามีความรักความเมตตาให้และ่จริงที่แม็กกี้เนี่ยกลับมามีความสุขได้เนี่ยก็เพราะด้ล่ละความรักนะจากเจ้าของนะแม่ลูกนะในความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ดีนะเรียกว่าเป็นยาที่มีอนุภาพมากทีเดียวนะความรักเนี่ยสามารถจะเยียวยานะจิตใจของแม็กกี้ให้กลับเป็นหมาที่ ชำรุดทางกายแต่ว่าใจไม่ได้ชำรุดนะฟื้นฟูได้และแถมยังสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นให้พลอยมีความสุขได้ด้วยการแบ่งปันความรักและที่จริงการที่แม็กกี้ไปช่วยเยียวยาจิตใจของคนป่วยคนชราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แม็กกี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็ดีวันดีคืนด้วยนะเพราะว่าพอให้ความสุขกับเขาให้ความรักแก่เขา เขาก็ให้ความสุขให้ความรักกลับคืนมานนเวลาคนป่วยคนชะลาก่อนแม็กกี้แม็กกี้ก็ชอบนะทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีความสุขพอได้รับความรักความห่วงใยนะความสุขจากกันและ ก, กันให้ความรักจากหมานี่มันก็มีอนุภาพนะแน่นอนนะความรักจากคนนี่มันก็ช่วยได้เยอะแต่ว่าคนป่วยคนชะลาจํานวนมากนี่ บางทีเงานะเพราะว่าลูกๆ ก, ก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมหรืออาจจะไม่มีลูกนะหลานก็ไม่มีบางทีเงาคนที่มาเยี่ยมก็ไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างในจิตอาสาแต่ว่าพอไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมนี่ก็เงานะแต่ถ้าได้รับความรัมกแม้กระทั่งจากมานี่เขาก็มีความสุขได้นะ และความสุขที่ได้รับจากหมานี่มันก็ย้อนกลับไปที่ตัวหมาเองหมาก็พร้อมมีความสุขเรื่องแม่กกี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะสัตว์ที่บอบช้านะเจ็บปวดเพราะถูกกระทานี่แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะฟื้นตัวและกลับมามีความสุขและไม่ใช่ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวนะก็สามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้ แล้วที่เเคซี่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยดีแล้วนะที่ไม่ไปทำการุณยาฆาตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสงสารนะหมาตัวนี้จะอยู่ได้ยังไงนะพิการชํารุดแบบนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยว่ามันทำได้ไม่น้อยกว่าคนเลยนะหรืออย่างน้อยนี่ก็สามารถจะฟื้นฟูกลับมามีอารมณ์ดีจิตแจ่มใสได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างให้คนนี่ยเหมือนกันนะคนที่ชํารุด นะไม่ว่าจะชอมรุดเพราะเหตุใดก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาเรียกว่าจากเดิมที่ติดลบนี่กลายเป็นเท่าทุนแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมนะจากโบ ก, กลายเป็นบวกได้เพราะได้รับความรักนะความเอื้อเฟื้อนะขนาดตาบอดขนาดกรามหักนะโหลำบากมากนะ แต่ก็ช่วยตัวเองได้จนกระทั่งสามารถจะวิ่งเล่นได้แล้วก็ช่วยเหลือทำงานให้กับคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจคนได้ดีเหมือนกันนะโดยเพราะในเรื่องของอนุภาคมความรักนี่มันมันมีพลังมากจริงๆ